เพราะการบูชาพระรัตนตรัยอันประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอากาบคารวะครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อกำเขียนขอกาบน้ำมันสการหลวงพ่อกมพระอาจารย์งศิลป์แล้วก็เพื่อนสาธรรมิกในที่นี้ทุกท่านขอเจริญพร แม่ชีและก็อุบาสบาสิกานะที่มาร่วมกันใช้ชีวิตนะที่ป่าสุขโ ต, โตแห่งนี้ก็นั่งํำสบายนะ <c oughs> ก็ได้มากำานึงถึงคน <c oughs> เ, เราทุกคนเนี่ยนะสิ่งที่เราปรารถนาก็คือความสุข เราเริ่มกันตั้งใจความสุข <c oughs> จากการกินจากการได้สิ่งที่ถูก อ, อกถูกใจโดยเฉพาะย่างยิ่ง <c oughs> สิ่งที่มาตอบสนองความพึงพอใจไม่ว่าจะเป็นความพึงพอใจจากได้กินอาหารอร่อยๆได้เห็นภาพสวยๆ ได้ฟังเสียงเพราะๆได้ดมกลิ่นที่หอมนะแล้วก็ได้สัมผัสนะสิ่งที่เป็นของนุ่มๆอ่อนนุ่มนะแล้วก็ได้สิ่งที่อะไรก็ตามที่มันถูกใจนะเราก็รู้สึกมีความสุขนะมีความสบายนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นความสุขที่เราได้สัมผัสกันอยู่นะแล้วก็ ส่วนใหญนะ่ก็อาศัยวัตถุภายนอกนะมาบำรุงบำเรอนะทำให้เกิดความพึงพอใจนะแล้วเราก็จดจํามันไดนะ้ว่าอันนี้เป็นความสุขเป็นความสบายซึ่งตรงนี้ เ, นะเราถ้าเราสังเกตให้ดีวัตถุภายนอกที่มาสนองความต้องการ แล้วทำให้เรามีความสุขเนี่ยนะมันก็จะค่อยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะตามความอยากหรือความคิดปรุงแต่งนะของเราเคยกินอาหารร้านนี้อร่อยดีนะก็มากินอีกกินไปกินมาเรื่อยๆมันก็ชักเบื่อก็ต้องไปกินร้านใหม่ไปหาอาหารใหม่ๆนะไปแสวงหาสิ่งใหม่ๆนะทั้งเรื่องอาหารเรื่องเสื้อผ้า นะข้าของเครื่องใช้ต่างๆมันก็จะเป็นอย่างนีนะ้เป็นความสุขที่เราจะต้องวิ่งหานะที่เราจะต้องเหน็ดเหนื่อยนะที่เราจะต้องใช้เงินทองนะไปหาซื้อมาเพราะฉะนั้นชีวิตของคนในโลกก็เหน็ดเหนื่อยกับเรื่องพวกนี้นะมากพอสมควรนะตรงนี้ก็เราก็สังเกตจากชีวิตของตัวเราเองได้ ทุกๆคนมีหลายคนนะก็เอาวัตถุเนี่ยมาบำบัดนะความไม่ไม่สบายใจนะ บ, าบางคนเครียดนะก็ไปช้อปปิ้งนะก็เพื่อให้มันหายเครียดอะไรอย่างนั้นนะบางคนก็เครียดแล้วก็กินเหล้านะให้มันคลายคลาไปนะซึ่งอันนี้มันก็ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดนักหรือมีบางคน เครียดมากๆนะทนอยู่ไม่ได้ชีวิตนี้ขอไปเกิดใหม่ดีกว่านะเมื่อวันก่อนอ่านหนังสือพิมพ์ก็เป็นเรื่องที่น่าสลดใจเหมือนกันบันฑิตอักษรศาสตร์ปริญญาเกียรตินิยมันดับสองุลาเนะไปทำสัญญกรรมแล้วปรากฏว่ามันออกมาไม่สวยอย่างที่อย่างที่คิดพเพื่อนก็ทักว่าไม่ไม่สวยเลย ไม่สู้ของเดิมไม่ได้อะไรอย่างนี้นะประบอนแล้วก็คิดไปคิดมาสุดท้ายก็ผูกคอตายนะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสลดใจมากนะว่าคนในยุคปัจจุบันเรียนอยู่ในระดับสถาบันชั้นสูงนะแต่ว่ามาจบปัญหาหรือแก้ปัญหาโดยโดย โดยรู้เท่าไม่ถึงการก็น่าเสียดายนะเป็นคนเก่งคนหนึ่งแล้วก็หมอหนุ่มนะที่สิริราชไม่รู้เครียดอะไรมากโดดตึกสิบเอ็ดชั้นฆ่าตัวตายเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นข่าวที่ดูแล้วก็น่าสลดใจเหมือนกันว่าปัจจุบันนี้ถ้าเรามีความรู้สึกว่า <c oughs> มันเครียดมากๆมันทุกข์มาก ๆ, กากๆหาทางออกไม่ได้ก็คิดสั้น นะคิดว่าชาติหน้าเกิดใหม่น่าจะดีกว่านี้นะก็เล่นเรียกว่าโดนความคิดมันมันหลอกเอานะก็เป็นความสุขที่พยายามสแสวงหาด้วยอาศัยวัตถนะุมาบำเพ็บำเลอแต่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ตรงจุดนี้นี่แหละนะเป็นสิ่งที่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยก็ได้ได้เจอได้พบนะท่านสเสวยสุขอยู่ในวัง นะเป็นเป็นยุพราชนะเรียกว่าเป็นเป็นคนที่อยกขึ้นเป็นกษัตริย์มีสิ่งบำรุงบำรเรอเต็มที่นะถึงจุดหนึ่งท่านก็รู้สึกเหนื่อยหน่ายเบื่อขึ้นมานะก็เลยอยากแสวงหาความสุขที่มันมันเหนือกว่านั้นนะซึ่งก็ท่านก็ไปแสวงหานะก็ไปพบความสุขอีกชนิดหนึ่งนะก็เป็นความสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยวัตถุนะแต่เป็นความสุขที่เกิดขึ้น ภายในใจของเราเป็นความสุขที่มีอยู่แล้วนะที่เราเรียกว่าความปกติสุขนะเป็นใจที่เป็นปกติใจที่เป็นปกติเนี่ยมีอยู่ทุกคนขณะที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เวลานี้ถ้าเราสังเกตดู <c oughs> ใจเราเป็นปกติไหมเราไม่สุขเราไม่ทุกข์ใช่ไหมใจปกตินี่แหละนะเป็นความสุขที่หล่อเลี้ยง ให้เราดำรงชีวิตยอยู่ได้จนถึงปัจจุบันแต่น่าเสียดายว่าเราหลงลืมมันเราก็ไปวิ่งหาความสุขจากภายนอกจากการกินจากการเที่ยวจากการได้ดูหนังฟังเพลงนะนั่นก็เป็นความสุขที่ที่มันก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแต่ความสุขที่ยั่งยืนเะน่ยมันมีอยู่ในตัวเรานะเราไม่ได้กลับมาดูอาจจะเป็นเพราะมันใกล้ใกล้จนเรามองมองไม่เห็นแล้วนะลืมไป แต่ความปกติสุขในใจเนี่ยนะบางทีมันมองไม่เห็นเพราะว่าความที่เราไม่เคยใส่ใจนะเราไม่ได้สนใจแล้วก็ในตัวเราเนี่ยมันก็มีสิ่งที่มาบดบังนะก็คืออารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดต่างๆความทยานอยากต่างๆความเคยชิน ต, ตั้งแต่สมัยเล็กๆ เ, นะเราดำรงชีวิตนะโดยอาศัยความเคยชิน อาศัยว่าสิ่งไหนชอบนะเราก็ทําเราก็ทําให้มันมากๆอันไหนที่ทําให้เราพอใจเราก็พยายามทําให้มันมากๆเราก็ดึงเข้ามานะอันไหนที่เราไม่ชอบเราก็ผลักมันออกไปนะใจมันก็เลยไม่เป็นปกตินะใจมันก็ขึ้นขึ้ น, นลงๆนะเดี๋ยวดีนะเดี๋ยวร้ายนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์นะอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราแต่เราไม่ได้สังเกต เพราะนั้นการดำเนินชีวิตของเราส่วนใหญ่เราก็ไปท ำ, ทำไปตามความเคยชินทำไปตามความอยากนะที่บางทีมันก็เกินเกินสิ่งที่ที่พอดนะีอย่างเช่นการกินเนี่ยนะจริงจริงมันก็แค่บำบัดความหิวนะทำให้ร่างกายเราดำรงอยู่ได้แต่เดี๋ยวนี้เราเห็นว่าเขามีการปรุงแต่งให้มันมีรสชาติแปลกๆใหม่ๆ มีอาหารใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะเพื่อตอบสนองความอยากซึ่งไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นชีวิตของคนในโลกปัจจุบันจึงต้องเหน็ดเหนื่อยกับการที่จะต้องวิ่งหาสิ่งเหล่านี้และสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ของฟรีเราต้องเสียเงินถ้าเราไม่รู้จักพอดีไม่รู้จักประมาณในการบริโภคคำว่าบริโภคนี่ไม่ใช่เฉพาะบริโภคอาหารนะบริโภคนี่ก็คือบริโภคทางตาทางหู นะและททำให้เกิดความยินดีนะซึ่งเราเรียกว่ากามนั่นเองกามมาสุขคำว่ากามนี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องของผู้หญิงผู้ชายนะแต่คำว่ากามคานี้มันคืออะไรก็ตามที่ทำให้เรายินดีนะแล้วเราก็ติดมันนะจะเป็นเพลงจะเป็นพัพยนตร์จะเป็นเอ่อรสชาติของอาหารอันนี้นเป็นกามได้ทั้งสิน้นนะเป็นกามมาสุขซึ่งทำให้มันปิดบัง นะมาบังความเป็นปกติของใจเรานะเราไม่เห็นมันซึ่งตรงนี้เนี่ยนะการจะเห็นเท่าทันสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยนะก็ต้องอาศัยความาสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นเป็นตาในนะก็คือสติสัมปชัญญนะหรือเราเรียกกันเรียกว่าความรู้สึกตัวตัวความรู้สึกตัวเนี่ยมันมีอยู่แล้วทุกคนนะแต่ที่มันมีอยู่เนี่ยมันเป็น ความรู้สึกตัวตามสัญชาตญาณนะเอาไว้ใช้ทำการทำงานที่เราใช้อยู่ได้นะคือเราไม่ไม่ทำอะไรผิดพลาดในการในงานแต่ว่าเรื่องของความอยากเรื่องของอารมณ์เรื่องของความคิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนนะเราจะใช้ตาเนื้อมันดูไม่ได้มันต้องใช้ตาในคือความรู้สึกตัว นะหรือเรียกว่าสติสัมปชัญญะนั่นเองซึ่งธรรมชาติก็ให้มาอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเราก็มาพัฒนานะให้มันรู้เท่าทันกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพนะราะฉะนั้นที่เรามาอยู่กันณนะที่นี้เนี่ยถือว่าเรามาเรียนรู้สิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตานะเป็นพลังงานอย่างหนึ่งนะที่มีอยู่ในตัวเรา สิ่งที่มันมีพลังงานและมันเร็วมันเร็วกว่าแสงเพราะฉะนั้นไม่มีตัวตนนะก็คือความคิดนะความคิดความรู้สึกอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นมามันก็ผักสายไล่ส่งจริงๆก็คือมันครอบงำครอบงำใจเราสั่งให้เราทำให้หนู่นทำให้หนี่นะซึ่งเราไม่รู้ทันนะเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ทุกข์บางทีเราก็สุข นะเพราะเราไปจมอยู่ในความคิดไปจมอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นนะซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่รู้ทันเมื่อเราไม่รู้ทันเราก็เลยมีความทุกข์โดยที่เราไม่รู้เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมบางวันเนี่ยเรารู้สึกหนักอกหนักใจนะบางวันเรารู้สึกเบ้าเวนะบางวันเราก็รู้สึกเครียดนะบางวันเราก็มีเรื่องที่มีคนพูดไม่ถูกหู ขึ้นมาแล้วเราก็โกรธขึ้นมาทันทีนะซึ่งพอมันโกรธขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ทันแต่พอเรารู้ทันทีที่โอ้เราไม่น่าเลยนะเราไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยเราไม่น่าจะคิดอย่างนั้นเราไม่น่าจะโกรธไปเลยมันมารู้ทีหลังนั่นก็คือสติมันมานะสติมันมามันมาแก้ไขมันมาป ร, ปรับสมดุลทีนี้ถ้าเราไม่มีการฝึกนะไม่มีการพัฒนาคําว่าพัฒนาเป็นคําสมัยใหม่ถ้าเป็นคําสมัยเก่าคือคําว่าภาวนา ภาวนาหรือพัฒนาคืออันเดียวกันพัฒนาความรู้สึกตัวจากความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วเราก็ทำให้มันฉับไวขึ้นให้มันมีประสิทธิภาพให้มันมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นรวดเร็วเพื่อให้มันทันกับความคิดให้มันทันกับอารมณ์ให้มันกันทันกับความอยากต่างๆที่มันเกิดขึ้นถ้าเราฝึกอย่างนี้ได้แล้ว มันจะทําให้เราเนี่ยกลับคืนสู่ปกติกลับสู่ความเป็นปกติของใจนะเราก็จะดํารงชีวิตด้วยความเป็นปกติสุขก็ <c oughs> คือมีความปกติสุขทั้งกายทั้งใจใจที่เป็นปกติเนี่ยนะเป็นใจที่ดําเนินชีวิตด้วยปัญญาไม่ใช่ดําเนินชีวิตด้วยความอยากหรือด้วยความหลงนะด้วยความไม่รู้หรือด้วยความเคยชิน เพราะฉะนั้นเมื่อใดกระามที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่อิ่มเรายังมีความสุขไม่อิ่มพอเรามีความรู้สึกยังขาดอยูนะ่นั่นก็เป็นสิ่งที่แสดงว่าเรายังไม่มีปัญญาพอสติสัมปชัญญะเรายังไม่รู้เท่าทันพอนะตรงนี้เราก็มาเติมเต็มให้กับชีวิตเพราะชีวิตนั้นมีกายและมีใจ ส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้เราจะให้ความสำคัญกับกายบํารุงดํเอร์กายอิ่มหมีพีมันมีอะไรที่จะสนองความต้องการทางกายเต็มที่แต่ใจที่หิวโหวยหนาใจที่เหี่ยวแห้งหนาใจที่มันไม่รู้จักอิ่มนะเราไม่ได้สนองมันเราไม่ได้บำรุงมันนะซึ่งสิ่งที่จะบำรุงได้ก็คือสติสัมปชัญญะนี้เอง เป็นอาหารที่จะทำให้เรามีความอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมานะเพราะฉะนั้นการที่เรามาที่วัดป่าสุกโตแห่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการมาเติมเต็มให้ชีวิตของเรานั้นมีความสมบูรณ์ก็คือให้กายเป็นปกติให้ใจเป็นปกติเมื่อเรามีสติปัญญาดีแล้วเราจะรู้ว่าควรจะกินแค่ไหนพอดี ควรจะใช้แค่ไหนพอดีไม่เกินทีนี้ถ้าเรามีของเหลือของเกินเราก็าไปทําบุญนําทานเพื่อแพ่เชื้อจารให้กับคนอื่นต่อไปงานนี้ก็จะเป็นผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นโลกนี้เนี่ยอาหารมีเพียงพอแต่ที่มันไม่พอว่าพบคนไม่รู้จักพอนั่นเองนะมันก็เลยไม่พอเพราะว่าเราเราตกอยู่ใต้ใต้ของความคิดของความอยากนั่นเอง เพราะฉะนั้นชีวิตที่ไม่สมบูรณ์นั้นเพราะขาดเรื่องของจิตของใจนั่นเองทีนี้เรื่องของจิตขังใจเนี่ยนาการที่เราจะมาพัฒนาสติสัมปชัญญะเนี่ยนาถ้าเราศึกษาดูให้ดีเนี่ยในในโลกปัจจุบันเนี่ยมันก็มีเยอะแยะมีหลายวิธีนะจากการที่เราอยู่ในโลกที่มันสับสนวุ่นวายเราก็ต้องการความสงบนะเราก็ไปหาที่สงบสงบ นั่งหลับตาไม่ต้องคิดอะไรนะนั่งนิ่งๆเย็นสบายสๆนะอันนั้นก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งนะเป็นความสุขอย่างพวกฤาษีซึ่งมีมาก่อนพระพุทธเจ้านะนั่งนิ่งๆไม่รับรู้อะไรเลยนะซึ่งในประเทศไทยเราก็นิยมกันนะเป็นส่วนใหญ่แล้วคนที่มาป่าสุโกโตหลายๆคนเนี่ยก็คิดว่ามาแล้วมันน่าจะได้อย่างนั้นนะ คิดว่ามาแล้วก็มานั่งนิ่งๆสงบสงบสบายใจไม่ต้องคิดอะไรนะแตนะพอมาถึงจริงๆมาฝุกแล้วโอ้โหทำไมมันคิดเยอะเหลือเกินนะยื่ไม่ให้หลับตายอย่เงี้ยโอ้โลืมตาอาี้แล้วมันจะเป็นมันจะสงบได้อย่างไงเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะติดข้องอยู่ในใจหรืออาจจะมีความสงสัยนะนะนะทศกุม瞿昙มาเองได้อ่านหนังสือพุทธธรรมของเจ้าคุณพยุทธ นะท่านพูดถึงเรื่องของกรรมฐานเนี่ยนะมันมีกรรมฐานใหญ่ๆอยู่สองลักษณะลักษณะหนึ่งก็คือทาสมถะก็คือทำให้จิตสงบก่อนนะทำให้จิตสงบแล้วก็ตื่นรู้เกิดวิปัสสนาต่อไปนะซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยแนวพุทโธแนวสัมมาอราหังยุหนอพองหนอเนี่ยก็จะเป็นแบบนั้นนะซึ่งวิธีการนี้เนี่ย ส่วนใหญ่เท่าที่สังเกต ก, ก็คือไม่ผ่านด่านความง่วงส่วนใหญ่นั่งแล้วก็หลับเลยนิ่งไปเลยไม่ตื่นรู้จริงๆขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็ยากพอสมควรนะอีกวิธีหนึ่งก็ไม่ต้องทำให้ถึงสงบแบบนิ่งแบบนั้นนะนะอย่างที่เราทำกันเนี่ยนะก็เรียกว่าเอาวิปัสสนาเลยนะก็คือมีความสงบพอนิดๆหน่อยๆพอให้เราไม่ไม่คิดฟุ้งซ่านไปมากนะ มีความรู้สึกอยู่กับเนื้อกับตัวนะพอทำตรงนี้ได้เนี่ยนะมันก็สามารถที่จะทำให้ตื่นรู้ได้ซึ่งเท่าที่ในคำภีเขาพูดไว้เนี่ยนะคนที่เข้าใจธรรมะเนี่ยโดยวิธีที่สองเนี่ยมีจำนวนมากกว่าวิธีแรกนะวิธีแรกเนี่ยมีจำนวนน้อยมากเพราะว่าการจะฝึกวิธีแรกนั้นจะต้องอาศัยที่สงบอาศัยครูบาอาจารย์แล้วก็ ต้องฝึกกันอย่างหนักพอสมควรนะนั่งนิ่งๆิ่งสงบสงบไม่มีเสียงอะไรมารบกวนเลยนะแต่วิธีที่สองเนี่ยเราเราจะสังเกตเลยว่าเราไม่ต้องแหงหลับตาก็ได้เราลืมตาก็ได้อาศัยอิริยาบถของการเคลื่อนไหวนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพูดถึงอานาปนสตนะิในประเทศไทยเรานะโดยเฉพาะที่ส่วนโมกนะจร์พุทธธาตเนี่ยท่านได้พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้อย่างละเอียด นะมีสิบหขั้นตอนนะซึ่งตัวกระผมในตมาเองได้เคยฝึกแต่ไม่ได้ฝึกสิบหกขั้นนะฝึกในขั้นเบื้องต้นเท่านั้นเองจากรุ่นพีนะ่สมัยที่ไปศึกษาใหม่ๆนะก็ได้ความสงบดนะีมีความปิตนะิมีความสุขในขณะที่เรานั่งสงบหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้แต่พอตื่นมาทำการทำงานเนี่ยไปกระทบกับอารมณ์ต่างๆมันก็ยังโกรธอยู่ เราก็เรียกว่ายังยังใช้ไม่ได้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็พยายามจะเรียนรู้มาแต่ไม่ได้มาเรียนรู้กับวิธีการเคลื่อนไหวนะแบบหลวงพ่อเทียนเนี่ยนะได้เรียนรู้กับหลวงพ่อเทียนนะระยะแรกๆ น, นี่ก็ฝังฉันไม่รู้เรื่องหรอกนะก็อาศัยท่านพูดอะไรมาแล้วก็ทําไปตามนั้นแต่เรามันประเภทนักศึกษาเป็นเชะคนช่างคิดก็ขี้สงสัยมันเป็นไปได้แค่ไหนยังไงเพร แต่ก่อนเราคิดว่าสมาธิก็คือต้องนั่งหลับตาอย่างเดียวนะแต่ น, นี้ลืมตาลืมตาไม่พอเคลื่อนไหวกังหา่างไม่นั่งนิ่งๆ น, น, นะเพราะฉะนั้นตรงนี้หลายคนเนี่ยอาจจะมีข้อสงสัยมันจะสงบได้ยังไงแต่ความสงบอันนี้เนี่ยมันเป็นความสงบที่เป็นเป็นความตื่นรูนะ้เป็นความตื่นรู้ในในความคิดในอารมณ์มันไม่ใช่เป็นความสงบแบบนิ่งแล้วไม่รู้อะไร เพระนั้นสงบมันมีสองอย่างน่ะสงบแบบนิ่งไม่รู้อะไรอันนั้นน่ะเป็นสงบแบบพวกฤาษีนะซึ่งเจ้าชายชิตตถาได้ไปเรียนกับอาลาลาดาบตรอุทกดาบตทนะ่ะซึ่งมันก็สุขขณะที่เรานั่งหลับตานั่นแหละพอตื่นมามันก็ยังเจอเรื่องที่ถูกใจไม่ถูกใจก็ดีใจเสียใจอยู่แต่พอเรามาทําแบบลืมตาเนี่ยนะ มันมีอารมณ์มากระทบมีความคิดเข้ามากระทบเนี่ยโอ้โหมันเป็นคู่ซ้อมอย่างดีเลยนะเราได้ฝึกสติกับของจริงเนะี่ยอย่างเช่น ง, ง่ายๆเลยนะความง่วงเนี่ยโอ้โหมาเลยนะมันยกขยงมาเลยนะบางทีนะทีนี้พอเราทําไปเนี่ยเราก็บางทีเราก็ยอมสยบมันนะไี่มันง่วงก็หลับไปเลยอะไรอย่างเงี้ยงานนี้เป็นลักษณะที่บางทีเราก็ไม่ทันมัน ความง่วงความปวดความเมื่อยเนี่ยมันเป็นธรรมดาของร่างกายที่มันจะต้องมีที่ที่มันแสดงแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าโอ้โหมันทนไม่ไหวแล้วมันนั่งไม่ไหวแล้วนะมันเป็นความทุกข์เอ๊เรามาปฏิบัติธรรมมันถูกหรือเปล่าเนี่ยทำไมทำไปแล้วมันทุกข์ยิ่งกว่าเดิมตอนาอยู่บ้านเรามีมันทุกข์ขนาดนี้ใช่มมาปฏิบัติธรรมทาไมมันทุกข์เลยเกินเดวง่วง๋วปวดเมื่อย บางทีเดี๋ยวฟุ้งซ่านแล้วไม่สรุกสบายเลยอะไรต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาสิ่งต่างๆเหล่านี้เขามาเขาเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นเพราะนั้นการมาเจริญสติหรือการมาฝึกเรื่องพวกนี้ก็คือมาเรียนรู้ธรรมชาติเหล่านี้ไม่ต้องไปปฏิเสธไม่ต้องไปหลบหนีเผชิญหน้าแต่กา ร, รเผชิญหน้าเนี่ยเราก็ต้องมีขึ้นมือ เราจะปเผชิญแบบทื่อๆเลยมันก็ไม่ได้นามันก็ต้องมีสติมีปัญญาเข้าไปช่วยมันก็โชคดีอยู่อย่างหนึ่งว่าธรรมชาติเนี่ยมันมีการอมีมีของที่คู่กันนคือมีมืดก็มีสว่างนมีคิดก็มีไม่คิดนมีเย็นก็มีร้อนนสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อมันมีอาการต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยให้เรารู้เท่าทัน รู้เท่าทันแล้วเนี่ยเราก็เมื่อรู้เท่าทันสติมันรู้เท่าทันเนี่ยมันจะปล่อยวางเองนะเราไม่ต้องไปเจตนาปล่อยวางมันจะปล่อยวางของมันเองนะซึ่งอันนี้เป็นกลไกธรรมชาติที่มันมีอยู่หรือถเราสังเกตนะเวลาเราโกรธเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะหายโกรธไม่มีใครโกรธทั้งวันนะถ้าโกรธทั้งวันนีะตายแน่ธรรมชาติมันจะช่วยคืนสู่ธรรมชาติอยู่ เพียงแต่ว่าถ้าเราปล่อยไปตามตามที่เราไม่ได้ฝึกเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานหรือบางทีมันเกิดเรื่องเหตุบางทีเราก็แสดงอารมณ์โกรธออกไปแล้วซึ่งบางทีมันก็ทําไปด้วยความรุนแรงนะเป็นเช่นชกต่อยหรือฆ่ากันอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นการมาฝึกอย่างนี้เนี่ยเรามาฝึกเพื่อที่จะให้ทันหรือป้องกันเอาไว้ก่อนคนบางคนบอกไม่เห็นมีอะไรเราก็ไม่ได้ทุกข์อะไรเนี่ทําไมจะต้องมาปฏิบัติธรรมด้วย ทำงานมีมีเงินมีทองพอกินพออยู่ก็เออก็สบายแล้วไม่เห็นจะต้องมาปฏิบัติธรรมไม่เห็นจะต้องมาเจริญสตินะนี่ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่พูดถึงกันซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวกับผมเนี่ยทำไมเองก็ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ตอนหลังนี้ก็รู้สึกว่าไอ้ตัวเราประมาทเกินไปนะเพราะว่าคนเราเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะร่างกายนะเรามีจิตใจด้วยและจิตใจเนี่ยสาคัญมากๆ นะการที่จะมาเรียนรูก้การที่จะมาพัฒนาจิตใจเนี่ยมันก็ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะนี้เองทีนี้ในการฝึกสติสัมปชัญญะเนี่ยในะรูปแบบที่เรามาฝึกกันเนี่ยนะก็เรียกว่าการเจริญสตินะด้วยการเคลื่อนไหวนะซึ่งในพระไตรปิฎกก็พูดไว้ชัดก็คือสัมปชัญญะบัพพะอริยะบทบัพพะนะก็คืออาศัยการเคลื่อนไหวตกความรู้สึกตัวขึ้นมานะซึ่งวิธีการเนี่ย เราก็ที่เราทํากันเนี่ยนะก็คือการเคลื่อนไหว14จังหวะนะโดยอาศัยการเคลื่อนไหวของกายการทําอย่างนี้เนี่ยมันเป็นวิธีทําที่ง่ายที่สุดเท่าที่เท่าที่ตัวผมิวตตมาได้เคยเรียนรู้มาเพราะอะไรเพราะมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเราแล้วเราก็เจตนาที่จะทําทขึ้นมาแต่ความไปฝึกอานาปนสติใช้ลมหายใจเนี่ยลมหายใจนี่มันเป็นเอง เป็นเองเนี่ยโอกาสที่เราจะหลงหรือโอกาสที่เราจะนั่งแล้วหลับเนี่ยมีโอกาสมากนะมันก็จะตกผวังได้ง่ายเพราะนั้นสติเนี่ยมันจะตื่นช้ามากนะมันจะมันต้องใช้เวลานานแต่วิธีนี้เนี่ยเราทำกับกายเนี่ยซึ่งมันเป็นของของที่เรียกง่ายๆคือของที่มันหยาะนะของที่มันใหญ่อ่ะแล้วมันเห็นชัดแล้วมันทำได้ง่ายทำตรงๆลงไปเราจะใสยสิ่งที่มีตัวตนเนี่ย เข้าไปเรียนรู้สิ่งที่ไม่มีตัวตนก็คือความคิดนะความคิดที่ทำให้เรามีความสุขมีความทุกข์นี่แหละเพราะฉะนั้นการที่เรามาทำการเคลื่อนไหวก็ดีเดินจงกรมก็ดีนี่คือเราปลุกความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วให้มันตื่นขึ้นนะเรียกว่าเป็นการเปิดตาในนะตาในที่มีอยู่นะถ้าเราเคย เ, เคยดูนิทาน คือเคยดูภาพยนตร์มันจะมีภาพยนต์บางเรื่องเนี่ยมีตาที่สามตาที่สามก็คืออันนี้นี่เองนาบางทีเขาเรียกตาทิพย์ก็ได้ตาวิเศษก็ได้นเป็นตาที่จะเข้าไปดูความคิดเข้าไปดูอารมณ์ทีนี้การการพัฒนาตรงนี้เนี่ยเราพัฒนาจากการเคลื่อนไหวคือมีความรู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหวบ่อยๆทําบ่อยๆทําเรื่อยๆแล้วก็ทําให้มันต่อเนื่อง นาะโดยเฉพาะต่อเนื่องให้เป็นลูกโซ่หลวงพ่อเทียนเคยพูดไว้ว่าถ้าผู้ใดทำให้มีความรู้สึกตัวต่อเนื่องเป็นลูกโซ่นะภายในสามปีอย่างช้านะอย่างกลางภายในหนึ่งปีอย่างเร็วตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันเนี่ยความชุกจะลดลงทันท่าขนาด น, นั้นเพราะฉะนั้นการที่เรามาอยู่กันเจ็ดวันก็ดีสามวันก็ดีเนี่ยนะ แล้วก็ครูบาอาจารย์ก็มักจะเตือนกันอยู่เสมอว่าให้พยายามอย่าพูดอย่าคุยตรงนี้ก็คือให้มันต่อเนื่องนะให้มันต่อเนื่องกันเพราะการต่อเนื่องเนี่ยมันจะเกิดผลเพราะนั้นคนที่มาเนี่ยนะถ้ามาแบบเป็นเพื่อนมาด้วยกัน น, นะพยายามทิ้งเรื่องห่างกันไปเลยเจ็ดวันนี้สามวันนี้ไม่ต้องพูดต้องคุยกันเลยนะทือว่าเราเราเราเอื้อประโยชน์กันให้ประโยชน์กันคือของพวกนี้มันเป็นของละเอียดนะนะ แลเป็นของที่เราจะต้องใช้ความพยายามแล้วก็ใช้ความแยกคายพอสมควรมันไม่ใช่เป็นของที่จะทำกันได้ง่ายๆในลักษณะของการที่พูดคุยกันนะมันจะต้องเกิดจากการที่เราทำละสัมผัสขึ้นมาเมื่อเราทากายความรู้สึกตัวกายให้ชัดถามว่าความรู้สึกตัวที่กลายเป็นอย่างไรในขณะที่เรานั่งเนี่ยเรารู้สึกใช่ไหมรู้สึก ปดเมื่อยเรารู้สึกใช่ไหมรู้สึกกับริบตารู้สึกไหมรู้สึกนะตรงเนี้ยลพัดลมมันเป่ามาพัดโดนผิวหนังเรารู้สึกอันนี้นคือการรู้สึกความรู้สึกที่กายที่เกิดขึ้นนะเรารู้สึกตรงเนี้ยการทำความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเหมือนเป็นการเรียกใจมาอยู่กับเนื้อกับตัว เราอยู่ในโลกนี้ส่วนใหญ่ใจเราจะไปในอดีตบ้างอนาคตบ้า ง, เ ร, ง, างเรื่องนู้นบ้างเรื่องนี้บ้างใจไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวใจลอยเพราะงการมาทำอย่างนี้ก็คือกลับมารู้สึกตัวเลียกใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะฉะนั้นในสามวันเจ็ดวันที่เราอยู่เนี่ยพยายามเรียนรู้เรื่องพวกนี้โครงการต่างๆความคิดอะไรต่างๆที่มันดีเลิประเสริฐสิทิ้งไปเลยไม่ต้องเอามันเลย จะดีจะชั่วอาจะอะไรก็ทํำทิ้งไปหมดเลยกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวเรื่อยๆบ่อยๆแรกๆมันก็จ้องจ้องจดจดเป็นธรรมดานะเก่งๆธรรมดาเราก็สังเกตถ้ามันๆๆมึนๆนะมันมึนๆมันหนักๆเนี่ยก็ต้องหาทางวิธีการคลายนะอย่างบางคนเนี่ยเดินจงกรมกม็ก้มหน้าก้มตาเอาจริงเอาจังนะหนักหัวหนักต้นคอวิธีแก้ง่ายๆก็คือมองออกไปนอก ปล่อยปล่อยไปบ้างไหมันโล่งๆต้องแก้มันนะตรงนี้เนี่ยก็ต้องหาวิธีการแก้แล้วอย่าไปทำแบบทื่อๆเมื่อเรามีความรู้สึกที่กายเคลื่อนไหวชัดแล้วเนี่ยนะมันจะเข้าไปเรียนรู้ของที่ละเอียดเข้าไปนะความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความยินดีความไม่ยินดนะีซึ่งเป็นอาการของใจที่มันจะแสดงตัวออกมาแล้วก็ ความคิดที่มีสารพัดเรื่องสารพัดราวมันจะแสดงตัวจริงๆมันแสดงตัวของมันอยู่แล้วเพียง <c oughs> แต่ว่าสติของเรายังไม่คมชัดพอเรา จ, จึงไม่เห็นถ้าเราคมชัดพอเราจะเห็นแล้วที่เราทาแล้วมันฟุ้งซ่านนะมันเริ่มที่จะเราเริ่มที่จะเห็นมันเพราะฉะนั้นคนที่าำแล้วฟุ้งซ่านไม่ใช่ผิดนะนั่นนะ่ะเข้ามาแสดงให้เราดูแล้วนะเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะไม่จมไปอยู่ความฟุ้งซ่าน ถ้ามันฟุ้งซ่านมากๆเรากลับมาที่รู้สึกตัวอาจจะเดินให้เร็วขึ้นอาจจะทําให้มันเร็วขึ้นหรืออาจจะทุบหัวเขา่าเรียกความรู้สึกกับตัวมาอยาไปตามความความคิดนะหรือแม้แต่ความร่วงเนี่ยก็อย่าไปสยบยอมหาวิธีการแก้นะเพราะนั้นตรงนี้ต้องใช้สติปัญญานะซึ่งสิ่งเหล่าเนี้ยถานเดยเลยทุกคนเป็นเหมือนกันตัวกับภูมิคตมาผ่านมาก็ผ่านมาอย่างนี้เหมือนกัน เพราะนั้นอารมณ์อะไรต่างๆจะดีจะร้ายเช่นบางคนเนี่ยวันนี้เห็นมีคนมาไล่ฟังบอกโอ้โหเมื่อวานนี้มันปลอดโป่งมากเลยนะอาจารย์แต่เมื่อวานทไมมันง่วงงวงแล้วมันมากันไม่ให้เราตั้งตัวเลยอะก็บอกใ น, นข้อหมายมาเราดูเพราะฉะนั้นเราต้องแก้เพราะนั้นที่เราทําเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อให้มันปลอดโป่งตลอดเวลานะเรามาทำเนี่ยเพื่อให้มันดูอาการต่างๆเหล่านี้ เรียนรู้มันจะปลอดโปร่งจะหนักจะฟุ้งซ่านจะสบายจะง่วงหลับง่วงนอนดูมันแล้วถ้าสติมันชัดเนี่ยมันจะถอนตัวจากอ า, าการเหล่านี้มันจะถอนตัวออกมามันจะมาออกมาเป็นผู้ดูเพราะนั้นเพียงแค่ความรู้สึกตัวตรงเนี้ยมันมีประโยชน์ตรงนี้มากเลยหลายคนมาฝึกเนี่ย หวังว่าทำแล้วมันจะปลอดโปร่งสบายเบาเนื้อเบาตัวตลอดอะไรอย่างเงี้ยแรกๆมันจะยังไม่อย่างนั้นหรอกมันก็หนักบ้างเบาบ้างเรียนรู้มันแต่เราอยากเข้าไปอยู่ในอาการเหล่านั้นสิ่งที่จะทําให้เราไม่เข้าไปอยู่ในอาการเหล่านั้นก็คือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี่แหละจะเป็นตัวที่ทําให้เราไม่เข้าไปแล้วกลับมารู้เนื้อรู้ตัวกลับมารู้สึกตัวเพราะฉะนั้นสังเกตไหมว่ามาอยู่ที่นี่เนี่ย คนที่ฝึกปฏิบัติเขาเก่าเนี่ยก็จะไม่เข้าอยู่เฉยเขาจะนั่งสร้างจังหวะบ้างบางทีก็คึงนิ้มือเล่นบ้างนะไม่ได้นั่งเฉยๆคนที่นั่งนิ่งๆหลับตาเนี่ยนะเสียโอกาสเลยนะความรู้สึกตัวมันไม่ถูกปลุกขึ้นมานะนี้เป็นสิ่งเพราะฉะนั้นเมื่อความรู้สึกตัวที่กายชัดมันจะเข้าไปรู้สึกในส่วนของใ จ, ใจิตใจนะก็คือความรู้สึกสุขทุกข์ความคิดต่างๆ แล้วก็สุดท้ายนก็จะมีปรากฏการทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในตัวเรานาจะเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมนสิ่งที่เป็นคุณงามความดีสิ่งที่อาจจะไม่ใช่เป็นคุณงามความดีสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยมาแสดงให้เราดูแต่ก่อนเราไม่รู้สึกเราก็จะตกเข้าไปอยู่ในกระแสะหรือในอารมณ์หรือในความคิดเหล่านี้เราก็หมือนอยู่ในในคลื่นทะเลเนี่ยจมไป แล้ไม่ได้อยู่บนเรือบนเรือนี้มันจะลอยเพราะฉะนั้นถ้าความรู้สึกตัวชัดเนี่ยมันจะลอยตัวจากอารมณ์จากความคิดมันจะเป็นผู้ดูขึ้นมาแล้วใจมันก็จะเป็นปกติเพราะฉะนั้นความสุขที่ที่เกิดขึ้นที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันจะแสดงตัวของมันออกมาเราก็จะมีชีวิตที่เป็นปกติสุขซึ่งเป็นความสุขที่สุดนะเท่าที่เท่าที่เท่าที่มนุษย์ได้พบนะ เท่าที่มนุษย์เราได้พบซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ยากนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่โง่ทวิสัยที่พวกเราจะทําได้นะแล้วก็ครูบาอาจารย์นั่นก็ผ่านประสบการณ์มาท่านก็บอกว่ามันเป็นไปได้มันทําได้นะตัวท่านก็ผ่านมาแล้วนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเราอย่าพลาดโอกาสนี้นะเดียวพอมาที่วัดป่าสุกโตเนี่ย ที่วัดป่าสุโกโตจะไม่พูดเรื่องอื่นพูดเรื่องนี้นะพิธีรีตองอะไรแล้วก็ไม่ก็มีอะไรมากมายเพราะฉะนั้นคนที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยจะสามวันเจ็ดวันหรือว่ากี่วันก็ตามทันเรื่องนี้เป็นเรื่องเอกเป็นเรื่องสําคัญเรื่องอื่นเป็นเรื่องรองนะก็คือการเจริญสติการกลับมารู้สึกตัวนะเป็นเครื่องมือสําคัญ ที่จะทำให้เราสามารถที่สัมผัสกับความสุขที่เป็นปกติเมื่อเรามีความสุขที่เป็นปกติแล้วนะชีวิตของเราก็จะเป็นปกติเพราะเราก็ไม่ต้องไวิ่งหาความสุขอะไรที่ที่ที่เคยวิ่งไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยแต่ไม่ได้ไหมายความว่ า, าเราจะไม่กินไม่อะไรนะก็กินตามปกติแหละแต่จะกินพอดีอยู่พอดีใช้พอดีมีเหลือก็เจือจานให้คนอื่น ทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปนะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอา น, นิสงส์หรือเป็นประโยชนนะ์ที่จะเกิดขึ้นจากการเจริญสติแล้วนะมันคงจะไม่ไม่ถ่วแเเไปแค่มนุษย์เท่านั้นมันถ่วงเเพไปถึงสัมมสัต์ด้วยนะื่อเรามีความสุขแล้วเราก็อยากให้สัตว์เขามีความสุขด้วยนะเป็นไม้ใบหญ้าอากาศต่างๆนะมันก็จะไม่เกิดการทำลายในสิ่งเหล่านี้นะก็จะเป็นการสร้างสรรค์ขึ้นมา อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อนำเสนอกับพวกเราที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่วัดป่าสุกตะตอแห่งนี้ก็พูดมากว้างความโดยสมควรในพนี่รู้สึกไม่ได้เจาะจงลงไปในที่การปฏิบัติเท่าไหร่ะแต่ก็อยากจะเน้นตรงที่การปฏิบัติเนี่ยอที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเห็นคนใหม่มากันเยอะและบางคนอาจจะยังสงสัยลังเลอยู่ว่า ทําไปแล้วมันจะมีประโยชน์ยังไงทําแล้วมันจะเกิดผลยังไงนะอันนี้ก็อยากจะให้กําลังใจพวกเราว่าให้ใช้เวลานาทีที่อยู่ป่าสุกโตเนี่ยในเรื่องของการเจริญสติเนี่ยให้มากที่สุดการพูดคุยการสังสรรค์การสังคมเนี่ยพยายามลดลงนะเ่วงนี้ขอ บ, บอกกับเพื่อนเลยบอกว่าเออเรมา เรามาช่วยกันทันเรื่องนี้พูดคุยนี้เอาเอาไวท้ทีหลังนะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปเข้าคุยกันคือถ้าความรู้สึกตัวชัดแล้วนะเดี๋ยวพอพูดคุยมันก็จะพูดคุยด้วยสติสัมปชัญญะนะมันจะมีความรู้สึกตัวแล้วมันก็จะพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็จะไม่พูดนะนี่ก็จะเป็นเป็นส่วนที่อจะเป็นประโยชน์กับพวกเรานะก็อยากจะให้กําลังใจพวกเรานะ ถ้ามีปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยก็ใช้ความรู้สึกตัวนี่ยแหละเป็นตัวผ่านนะแต่ถ้าทำแนละ้วมันตันมันไปไม่ได้ก็พระอาจารย์ทรงศิลปนะ์หลวงพ่อ ก, กรมหลวงพวกก่อคเขียนนะท่าก็จะเป็นการเรียนรูนะ้ในการแนะนำนะที่จะให้เราได้ผ่านทางตันนะที่ที่จากการฝึกปฏิบัติเพราะนั้นอยู่ที่นี่ไม่ต้องกลัวนะ ถ้ามีปัญหาอะไรก็เราดูด้วยกันแล้วก็ช่วยเหลือกันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราอาไวนะ้นะภาในท้ายที่สุดนี้นะก็ขอใหออ้ความเพียรพยายามของทุกท่านที่ได้ฝึกเจริญสตินะได้มีผลนะก็คือความรู้สึกตัวที่ชัดเจนนะแล้วก็ให้ทุกท่านเนี่ยได้สัมผัสกับ ความเป็นปกติของใจนะซึ่งเป็นที่พึ่งเป็นบ้านพักที่แท้จริงานะเป็นความสุขที่แท้จริงที่ทุกคนสามารถที่จะสัมผัสได้ในเร็ววันนี้โดยชั่วหน้าทุกท่านเทินเจริญพร